ปธรมพยะเวรูปสันตสูตรว่าด้วยอริยสาวกระ ง, งับภัยเวรสูตรที่หนึ่งหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอนาถบินธิกะขหบดีผู้นั่งณนาที่สมควรว่าขหบดีเมื่อใดอริยสาวกระ ง, งับภัยเวรห้าประการได้แล้ว ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการและเห็นแจ้งแทงตลอดอริยะยายาธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตดิรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกขติ และวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอริยสาวกระงับภายเวนห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจยัยจึงประสบภัยเวนที่เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ในสัมปยภพบบ้างสวยทุกโทมนัททางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้สองบุคคลผู้ลักทรัพย์สามบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามสี่บุคคลผู้พูดเท็จห้าบุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรไร อันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจยัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสำปรายภพบ้างสวยทุกโทมนัตทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้ว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 เป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญ า, ายธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มณสิการโดยแยกคลายด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือเมื่อเหตุ มีอวิชาเป็นต้นนี้มีผลมีสังขารเป็นต้นนี้จึงมีเพราะสหาชาติปัจจัยนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับคือเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี ความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้เพราะอาวิชชาดับไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญายธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละเมื่อใดอริยสาวก กระงับภัยเวนห้าประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้ว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 รุติยพยะเวรูประสันตสูตรว่าด้วยอริยสาวกกระงับภัยเวนสูตรที่สองหนึ่งพเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกกระงับภัยเวนห้าประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้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 มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าทุติยพยเวรูปรสันตสูตรที่เก้าจบ